บังคับกะเกณ์สิ่งภายนอกแต่มุ่งที่จะมาจัดการกับจิตใจของตัวเองจัดการนี่ก็ทำได้หลายอย่างนะนะตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นคือข่มใจไม่ให้โกรธหรือว่าให้มีสติรู้ทันความโกรธโกรธเกิดขึ้นกนี้เกิด ข, ข, ข, ขึ้นก็ดูมันดูรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางถ้าทาอย่างนี้เนี่ยนะนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วนี่ยังได้กำไรด้วยนะการไม่ทุกข์เนี่ยจิตใจปกติถือว่าเสมอตัว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 เพราะมีสตินะรู้อาการของใจที่มันไม่ปกติแค่รู้ท่านั้นแหละนะใจก็กลับมาเป็นปกติได้หรือเพราะมีปัญญาที่เห็นว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองนะเพาเป็นเช่นนั้นเองนี่ภาษาบริวัติตัตานะตาถาตาเป็นเช่นนั้นเองลองมองว่ามันเป็นธรรมดาหรือมั่งจะมองว่ามันเป็นปัญหาอะไรก็ตามถ้าเรามองว่าเป็นปัญหานี่เราทุกข์เลยนะ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 หรือแม้กระทั่งทำอารมณ์นะที่เกิดขึ้นในใจทำอารมณ์นี้ก็รวมถึงอารมณนะ์และความคิดนะความคิดในที่นี้ก็รวมถึงความฟุ้งซ่านด้วยนะไอ้ความฟุ้งซ่านก็ถ้าเรามองเป็นปัญหานะเราก็ทุกข์นะหลายคนนะแม้แต่ภาวนาในวัดเนี่ยก็ยังภาวนาไม่ค่อยได้เพราะบอกว่าฟุ้งซ่านะนั่งไม่ถึงห้านาทีก็ฟุ้งซนะ่านแล้วทำให้เลิก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 ที่มีต่อความฟุ้งซ่านเสียงดังก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบเสียงดังหรือความรู้สึกลบต่อเสียงนั้นพอรู้สึกลบแล้วมันก็พยายามไปต่อล้อต่อเถียงกับเสียงนั้นพยายามไปกดข่มพยายามไปต่อสู้หรือไม่ก็ไปจัดการกับต้นเสียงพอจัดการไม่ได้ก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้เพราะว่าลืมดูใจลืมจัดการที่ใจของตัว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 ชือเหลาจือนะเป็นปราชญาจีนยอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะแต่อยู่คนละทวีป เ, เหลาจือนี่ผู้ไปดีนะบอกว่าการรู้ความรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยนะเรียกว่าความเรียกว่าความชาญฉลาดนะแต่การรู้จักตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้การควบคุมบังคับกาเกณฑ์ผู้อื่นเรียกว่าความเข้มแข็งนะ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 ที่ถึงอดีตที่เจ็บปวดที่ถึงอดีตที่สูญเสียพัดพลากที่ถึงความล้มเหลวคิดถึงการถูกต่อว่าด่าทอหรือว่าถูกตำหนิติดเตียนถูกคนอื่นคนในละคุณทรยศนอกใจเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนสิบยี่สปีสาสิบปีแต่ถ้ายังมัวแต่คิดถึงมันนะ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 มันหายไปชั่วคราวแต่มันก็ฝังอยู่ในใจซอกซุกซ่อนอยู่ในใจเดี๋ยวมก็โผล่ใหม่หลายคนเนี่ยพอกดคมความโกรธแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้านะมีเมื่อวานซื่นก็มีคนมาพูดเหมือนกันนะว่าพอกดคงความโกรธมันรู้สึกล้าไม่เหมือนกับระบายความโกรธออกไปนี่มันหายเลยที่จริงระบายความโกรธไปไมันก็มันก็ไม่ใช่หายเลยนะมันทิ้งอนุสัยเอาไว้มันทิ้งเศษตว่าเศษกรรมไว้ในใจก็ได้ซึ่งทําให้โกรธง่ายขึ้น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 แต่น้อยๆเนี่ยการที่ควบคุมจิตใจตัวเองได้เนี่ยนั่นก็เป็นการฝึกตนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นการฝึกตนที่เรียกประเสริฐกว่าการไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆนอกตัวเอาละช้าวที่ก็พูดกันเท่านี้นกลาบฮะ